ผูช้ชายคนหนึ่งบ้านอยู่แทวซอยซอยศูนย์วิจัยแถวถรรมกสันเราว่าเนียกลางดึกนะคืนวันหนึ่งเนียประมาณห้ทุ่มมีตำรวจสองคนมาเรียกที่หน้าบ้านแล้วบอกว่าเนียวิ่งไล่ผู้ร้ายมาแล้วเห็นผู้ร้ายเนียโยนของเข้ามาในบ้านตำรวจก็จะขอเข้ามา คนหาของในบ้านนั้นเผือลูกสาวอยู่ที่บ้านก็ไม่อยอให้ตำรวจเข้าบ้านนะแต่โทรไปถามโรงพักมักกสันสองคนนั้นเนี่ยพอเห็นเจ้าของบ้านเนี่ยโทรไปที่โรงพักก็หายไปเลยนะส่วนทางโรงพักนี่ก็แจ้งว่าไม่มีนะ ให้ตำรวจเข้ามาในบ้านนี่ไม่มีอ่ะต่อหลังตำรวจก็เข้ามานะก็ามาแต่ไม่ได้เข้าบ้านนะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยสงสัยเป็นวิชาชีพก็เป็นดันว่านะรอดตัวไปเหตุการณ์นี่มันก็ที่เห็นนะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ร้ายนี่ก็มีอุบายมากมายเหลือเกินแม้กระทอ่งปลอมตัวเป็นตำรวจ ก็คิดว่าเนี่ยถ้าแต่งตัวเป็นใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยคนจะเชื่อฟังหรือว่ากลัวตำรวจสั่งอะไรหรือว่าบอกอะไรก็ทำตามอันนี้ก็เลยเป็นเป็นการสวมรอยนะของผู้ร้ายส่วนผู้หญิงที่เป็นเจ้าของบ้านนี่น่าจะว่าไปก็เป็นเพราะมีความระมัดระวัง มีความระมัดระวังสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่ตารวจจริงก็ได้นะนนก็เลยไม่หลงในอุบายไม่หลงตกเป็นเหยื่อนัของผู้ร้ายไม่งั้นเนี่ยอาจจะสูญเสียทรัพย์หรือว่าอะไรต่ออะไรมากมายก็ได้การที่เจ้าของบ้านนี่เขามีความระวัง ไม่ยอมเปิดป้าให้ตำรวจเข้าบ้านเนี่ยอันนี้พ่อเขามีความสงสัยนะว่าเนี่ยอาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้ต้องเช็คให้แน่ใจและความระวังนี่มันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะพวนเราถ้าไม่มีความระมัดระวังนี่ก็อันตรายถึงตัวได้ง่ายเวลาขับรถเนี่ยเราก็ต้องมีความระมัดระวัง เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเวลาเราใช้เครื่องไฟฟ้าก็ต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าอาจจะถูกไฟดูดได้ที่จริงความระมัดระวังนี้มันก็เกิดขึ้นได้จากการที่รู้จักมองในทางลบนะมองในทางลบก็หมายความว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะนะทางเส้นนี้หรือว่า อาจจะเกิดไฟดูดก็ได้นะถ้าเรามือเราถูกน้ำใช้เครื่องไฟฟ้าการมองลบเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะมันทำให้เรามีความระมัดระวังถ้าเรามองว่าถานนเส้นนี้นี่ปลอดภัยแน่ถึงชัวร์มันก็ไม่เกิดความระมัดระวัง ถ้าเราคิดว่าเนี่ยเครื่องไฟฟ้ามันไม่มีอันตรายนะเราก็อาจจะพลังเผลอทำให้ไฟดูดได้เวลาเราเดินในที่มืดเนี่ยเราก็ต้องเปิดไฟฉายเพราะอะไรเพราะเราเกรงว่ามันอาจจะมีสัตว์ร้ายมีงูยเย้าเชี่ยวคออยู่กลางทาง ซึ่งก็จะเป็นอันตรายนะถ้าเราไปเหยียบมันการบอกวันนี้มันก็เป็นการมองในแง่ลบนะเรียกมองลบแต่ว่ามันก็ทำให้เราเกิดความระมัดระวังงันการมองในในทางลบนี่มันก็มีประโยชน์อย่าง น, น้อยมันก็ทำให้เรานะไม่ประมาทมีความระวังตัว ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ่าผู้หญิงเจ้าของบ้านถ้าไม่ระวังนะก็แล้วก็ตกเป็นเหยื่อของผู้ร้ายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเธอมองว่าเนี่ยสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ตำรวจจริงก็ได้นะอาจจะเป็นมิชฉาชีพก็ได้อันนี้ก็เราเป็นมองการมองในเชิงลบนะแต่มก็ช่วยทำให้เธอนะ ต่อภัยที่จริงการที่มนุษย์เราเนี่ยแพ่พันมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีความรู้จักมองลบจึงมีความระมัดระวังนะไม่เผลอให สัตว์ลายนี่มันเล่นงานเช่นอยู่ในป่านี่เห็นความผิดปกติในพุ่มไม้ก็คิดลบไปก่อนว่าอาจจะเป็นเสือหรือว่าสัตว์ลายนี่ซุ่มโจมตีก็ระมัดระวังนะไม่เข้าไปใกล้ๆ ไม่เดินเฉียบใอการมองรถนี่อาจจะมองผิดก็ได้นะอาจจะไม่มีอะไรไอสัตว์ที่อยู่หลังพุ่มไม้นี่อาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอาจจะเป็นแม่ข้งหนูนะหรือกระรอกแต่การคิดว่ามันอาจจะมีสัตว์ร้ายซุ่มซ่อนอยู่เนี่ยมันก็ทำให้ปลอดภัยได้หากว่า มันมีสัตว์ร้ายอยู่จริงๆถ้าไม่ใช่สัตว์ร้ายนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าไม่มองลบนะไปคิดว่าไม่มีอะไรหลังพุ่มไม้นไม่มีอะไ ร, ลนะไะไรแล้วบางเอิมมีสัตว์ร้ายเนะี่ยก็ถึงตายนะยงั้นการที่บรรพบุรุษของเรานี่เขามี รู้จักมองในทางลบเนี่ยมันก็ทำให้รักษาตัวรอดมาได้แล้วก็แพร่พันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้ส่วนกลุ่มบุคคลนะหรือบรงพบุรุษบางกลุ่มที่เขาไม่มีที่ไม่รู้จักมองลบนะก็อาจจะโดนสัตว์้ายเล่นงานก็เลยไม่ได้แพร่พันธุมาถึงทุกวันนี้ เพราะนั้นเนี่ยมันก็ธรรมดานะที่คนคนเราเนี่ยมาถึงวันนี้นี่จะมีะที่เราสัมผัสตัวอย่างก็ได้นะที่มองในทางลบเพราะว่ามันเป็นหลักประกันให้เกิดความปลอดภัยเพราะว่ามันทําให้เกิดความระมัดระวังแต่ความระมัดระวังเนี่ยนะถ้ามันมากเกินไปนะกลายเป็นความระแวงนะ มันก็สร้างปัญหานะระวังเนี่ยดีแต่ถ้าเราแวงนี่อาจจะเป็นปัญหาได้เพราะว่ามันง่ายที่จะมองเห็นศัตรูหรืออันตรายเนี่ยอยู่รอบตัวเลยเช่นเราแวงว่าเพื่อโรมงานเขาจะเลื้อยขาเก้าอี้เราเราแวงว่าเพื่อโรมงานเขาจะปั่นแกล้งเราหรือว่าใส่ร้ายเราถ้ามองแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ ไม่มีความสุขเ็นคนอื่นเป็นศัตรูไปหมดแล้วก็มีความเครียดอยู่ในกุฏิมีเสียงกุกกักอยู่ข้างนอกบางทีเป็นเสียงกิ่งไม้ตกก็ระแวงแล้วว่าอาจจะมีคนมีคนร้ายจะมาเล่นงานเราหรือระแวงว่ามีสัตว์ร้ายหรือบางทีระแวงว่ามีผีแบบนี้ก็ตื่นตระหนก บางทีนอนไม่หลับเลยแล้วคนทุกวันนี้เนี่ยที่มีความทุกข์มีความเครียดมีความวิตกกังวลเนี่ยเหตุผลนึ่งก็เพราะความระแวงเพราะเราไม่ได้แค่ระแวงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราหรือสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะแต่ว่ามันระแวงไปถึงอนาคตด้วยเพราะคนเราก็มีความสามารถในการที่จะคาดการณ์ เราไม่ได้คาดการเฉพาะสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราเราคาดการไปถึงสิ่งที่เป็นอนาคตและถ้าเกิดว่ามองลบมากๆเนี่ยจนกลายเป็นเราแวงนะมันจะทำให้เครียดได้ง่ายเช่นไปมองว่าเนี่ยจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจคนจะตกงานกลาเป็นว่าเล่น หรือว่าจะเกิดสงครามมันก็ทำให้เครียดขึ้นมาเลยที่จริงแค่ระวังนะแค่ระวังนี่มันยังไม่เท่าไหร่มันก็เป็นของดีด้วยนะถ้าระวังเนี่ยเอ่อเศรษฐกิจมันไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถ้าทำธุรกริจต้องอ่มีแผนสองคอยรับมือถ้อาว่าเศรษฐกิจมันมันแย่กว่าที่คิด ต้องลดใจรายจ่ายลดต้นทุนระวังอดีแต่พอมันกลายเป็นระแวงแล้วโอ้มันทำให้เครียดมันทำให้ประสาทได้ง่ายเลยหรือว่าระแวงว่าเนี่ยที่เราป่วยไม่ค่อยสบายเนี่ยมันเป็นมะเร็งหรือเปล่านะเนี่ยถ้าแค่ระวังน ะ, ะมันก็ ทำให้เราเนี่ยไปหาหมอเพื่อเช็คให้ดูให้แน่แต่ถ้าเราแวงแล้วมันทำให้เรากินไม่ได้นอนไมห่หลับทั้งที่มันเป็นเรื่องที่แค่คิดเอาเองแล้วถ้าเกิดว่าระแวงหนักๆ น, นะมันก็จะมีตัวยุยงยอยู่ในใจเรา อันนี้หนักเลยนะเราแวงไม่พอนะแต่ว่ามันยังมีปล่อยให้มีตัวยุแยงอยู่ในหัวของเราเนะี่ยคอยเป่าหูเห็นอะไรนี่เป็นลบเป็นร้ายไปหมดหรือว่าเห็นคนรอบตัวนะคิดแต่จะมุ่งร้ายเราอันนี้มันเรียกว่ายิ่งกว่าเราแวนนะมันมีตัวที่คอยยุแยงคอยเป่าหูคนที่มีอำนาจเนี่ย มันก็จะมีต้องคอยระวังนะเพราะว่าข้าหูเบาเมื่อไหร่ก็จะมีคนยุยงให้ระแวงหรือว่าให้เกลียดชังคนนั้นคนนี้บางทีคนดีๆก็ถูกกำจัดนะอย่างพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยมีเสนาบดีคู่ใจเนี่ยซึ่งเก่งมากแล้วก็ดีมากนะชื่อพันธุละแต่ว่าตอนหลังเนี่ย ถูกคนมายุแยงว่าเนี่ยพันธุละกเนี่ยกับลูกเนี่ยคิดกบฏเตรียมขอการกบฏพร ะ, จะเจ้าปเสนีโกโศลในหูเบาเก็เชื่อก็หาทางกำจัดเลยกำจัดพันธุละแล้วก็ลูกทั้ง3าคนจนตายหมดเลยแต่ว่าในเสียงยุแยงนี่มันไม่ได้อยู่ข้างนอกเราอย่างเดียวนะมันมีอยู่ในหัวเราด้วยซึ่งเราต้องระวัง อันนี้มันเกิดจากการที่ระแวงมากๆนะมันก็เลยทำให้มีเสียงยุแยงอยู่ในหัวเราคนที่มีอำนาจมากมากเนี่ยก็จะระแวงใครต่อใครไปทั่วเลยเกิดอาการที่เรียกว่าพารานอยด์นะหรือประสาทนะมันมีเสียงอยู่ในหัวนี่คอยเป่าหูคนนี้คอยคิดคดทรยศคนนี้จะคอยหักหลัง แต่ถึงแม้ไม่ใช่คนมีอำนาจนะคนธรรมดานี่ก็ต้องระวังเพราะว่าเสียงยุยแยงเนี่ยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเพราะถ้าปล่อยให้ความระแวงนี่มันคลองใจมากๆ ม, มันไม่เพียงแต่ระแวงให้เราเกลียดชังคนโน้นหรือว่าระแวงคนนั้นอย่างเดียวนะบาทีมันมายุคงแย้งให้เราเผลอทาชั่วด้วย หลอกให้เราเห็นดีเห็นงามเห็นผิดเปเห็นผิดเป็นชอบนะเห็นโกงจับเป็นดอกบัวอย่างคนที่บางคนก็ จ, จะเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าบางทีมีเสียงเป่าหูให้ลองเล่นยาดูหรือว่าเห็นโอกายก็เป่าหูให้ทุจริตทำความชั่ว มันก็สนาเหตุผลมานะใครๆเขาก็ทำกันหรือว่าครั้งเดียวนะนี่ก็เป็นการยุแยงเหมือนกันนะยุยงให้เราทำชั่วหรือบางทีก็ยุแยงให้จ่วงจับผู้มีพระคุณมันจะมีบางคนมีเสียงเป่ามีเสียงในหูนะต่อว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งจ่วงจับพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่ามันเป็นตัวสกัดกั้นการทาความดี เราก็ต้องระวังนะคนเราเนี่ยถ้ามันเชื่อความคิดทุกอย่างที่มีในหัวเนี่ยมันก็ง่ายนะที่จะเปลี่ยนจากระวังนี่กลายเป็นระแวงและตอนหลังนี่ก็ปล่อยให้มีตัวยุแยงเนี่ยมันมาครอบงำมีอำนาจเหนือเราแต่ถ้าเรารู้จักทักท้วงนะเวลามันมองลบมองร้ายเนี่ย มีบ้างก็ดีนะแต่ว่าอย่ไปอย่าไปหลงเชื่อมันหมดหรือไปมองลบมองร้ายในทุกเรื่องถ้ามองลบมองร้ายในทุกเรื่องนี่มันก็จะกลายเป็นระแวงได้ง่ายแล้วก็จะกลายเป็นพวกที่ถูกยุแยงอยู่ในหัวมันมาเพราะาความคิดนะคนเราเนี่ยถ้าคิดลบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ง่ายที่จะระแวง แล้วพอเราแหวงมากๆนี่ก็จะกลายประสาทขึ้นมาได้การมีสตินะรู้ทันความคิดของตัวเองเนี่ยมันช่วยนะมันช่วยทักท้วงไม่ให้เราหลงเชื่อทุกความคิดมันช่วยทำให้เรากลั่นกรองความคิดต่างๆไอ้ทคิดเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรเพราะคิดลบคิดไายเพราะราแวงหรือเปล่า หรือว่าเพราะมันมีตัวที่มันอยากจะชักนำให้เราทำชั่วเหมือนกับมีมารนะที่มันคอยเป่าหูเราในสายพุทธกาลนี้ก็มีมารเนี่ยคอยมาล่อลวงพระสาวกนะทั้งพิสูจนพิสูจนีแต่ว่าหลายท่านก็ไม่เชื่อตวาดใส่มันนะมารผู้มีบาปเรารู้จักเจ้าแล้ว ย้อนท่านเจ้าอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักเจ้านะพอรู้ทันแล้วน้ำนมันก็ถอยล่าถอยหนีเลยมานี่มันไม่เป็นต้องเป็นสิ่งนอกตัวนะอาจจะอยู่ในใจเราก็ได้เรียกว่ากิเลสสมานที่มันคอยอยุแยงคอยล่อลวงทําให้เราเนี่ยหรือคอยเป่าหให้เราเห็นผิดเป็นชอบคอยเราแวงคนนั้นคนนี้หรือว่าระแวงโลกรอบตัวจน เครียดจนเป็นโรคประสาทไปเลยถ้าเราจักคิดอย่างมีสตินะมันจะช่วยมากเลยเวลาพูดถึงเรื่องการคิดอย่างมีสติเนี่ยนะบางคนคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้โดยเพราะเวลาปฏิบัติดาวหลวงพ่อเทียนเนี่ยไปเข้าใจว่าเนี่ยไปเข้าใจว่าเนี่ยคิดไม่ได้ห้ามคิดนะหรือว่าเป็นปฏิบัติความคิด ที่จริงเนี่ยที่ที่ท่านสอนเนี่ยก็เพียงแค่ให้มีสติรู้ทันการลักคิดนะลักคิดคือเผือคิดเพราะเผอคิดเนี่ยมันมันพาเราเข้ารถเข้าพงง่าง่ายแต่ถ้าคิดด้วยความตั้งใจนะอันนี้เป็นของดีนะแล้วถ้าคิดด้วยความตั้งใจต้องมีสติกำกับเพราะว่าถ้าไม่มีสติกำกับนะ มันคิดวอกคิดวนก็ได้หรือไม่ก็คิดแบบจับจดคิดยังไม่ทันสุดเลยนี่ก็หลุดไปคิดเรื่องอื่นแล้วคิดเรื่องนี้ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยแวบบไปคิดเรื่องนั้นละเช่นอาจจะคิดเรื่องงานเรื่องการแต่แล้วก็แว บ, บไปคิดเรื่องเที่ยวเลยไปนึกถึงลูกนึกถึงพ่อแม่แล้วก็เครียด อันนี้เราว่าไม่มีสติในการคิดแต่ถ้ามีสติในการคิดนะทำให้คิดเนี่ยอยู่ในร่องในรอยไม่วกวนแล้วก็ไม่ไม่ไม่ซ้ำซากรู้จักรู้จักวางเมื่อคิดจบไม่จับจดรวมทั้งทำให้เรา รู้ทันแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังความคิดนั้นด้วยแล้วว่าเนี้ยอันนี้มันกิเลสหรือเปล่านะที่มันล่อให้เราเนี่ยเห็นผิดเป็นชอบเพราะบางทีกิเลสมันก็สรรหาเหตุผลต่างๆมากมายนะให้เราทำชั่วเนี่ยหรือว่ายุยงให้เราละแวงคนนั้นคนนี้หรือว่าจ้องจับผู้มีพระคุณ เราต้องมีสติรู้ทันนะไม่หลงเชื่อทุกความคิดไม่ปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราถ้าเรามีสติในการคิดนะมันก็จะสามารถจะเป็นนายความคิดได้ถึงเวลาก็รู้จักวางไม่ใช่คิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดตะพึ้ตะพือยิ่งคิดเก่งเท่าไหร่นี้ก็ยิ่งต้องมีสติมากํากับนะพอไม่งั้นเนี่ยมันคิดไม่จบ หรือไม่ใช่นน่้นก็พาเราเข้ารถเข้าพงและบางทีก็ต้องรู้จักทักทวงมาด้ยวยนะว่าเนี่ยคิดลบแล้วนะคิดลบมากเกินไปแนละ้วคนบางคนนี่คิดลบจนไม่รู้ตัวนะแม้กระทั่งคิดบวกก็ยังกลายเป็นลบไปได้อย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะสามีนี่ยังไม่กลับบ้านเลยดึกแล้วแกก็กังวลนะ สามีเรานอกใจหรือเปล่านะก็เลยโทรไปปรึกษาเพื่อนระบายนะความรู้สึกความกังวลให้เพื่อนฟังเพื่อนก็หวังดีนะปลอบใจนะบอกว่าเนี่ยเธอลองคิดบวกเล่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ที่เขามาที่เขายังไม่กลับบ้านเนี่ยที่ดึกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเขา ไปมีกิ๊กลองนะแต่เป็นพ่อเขาประสบอุปปติเหตุมากกว่า <g iggle> นี่ก็มองลบนะแต่ว่ายังไปคิดว่ามองบวกแทนที่จะปลอบใจในทางที่ดีนะกับทำให้เพื่อนนี่เครียดหนักเข้าไปใหญ่น ะ, ะปลอบใจเพื่อนว่าเนี่ยลองคิดบวกสิว่านี่เขาไม่ได้ไปมีกิ๊กกับใครนะเขาแค่ประสบอบัปปปติเหตุ ไอ้แค่ประสบอุบติเหตุนี่มันหนักกว่าอาจจะหนักกว่าการมีกิ๊กก็ใช่นะแต่ว่าตัวเองเนี่ยตัวเองคิดว่าในคิดบวกแล้วเนี่ยต้องคิดแบบนี้ที่จริงมัยังลบอยู่นี่เพราะว่าคิดลบเป็นประจำเนี่ยจนกระทั่งไม่รู้เลยนะว่าไอ้ที่ปลอบใจเขานี่มันไม่ได้บวกเลยนะมันลบยิ่งกว่าเดิมแล้คนเรานี่ต้องก็ต้องรู้นะว่าเนี่ยอเราเป็นคนคิดลบมากเกินไปหรือเปล่า ถ้ามันมีลบอยู่บ้างมันก็เป็นเรื่องดีทําให้เราระมัดระวังแต่ถ้าเราคิดลบมากไปนี่มันกลายเป็นเราแวงแล้วสุดท้ายนี่ก็อาจจะกลายเป็นคนที่ประสาทได้ง่ายเพราะว่าเห็นอะไรลบไปหมดแม้กระทั่งอนาคตนะข้างหน้านี่ก็หดหูหม่นมองเพรามีแต่เรื่องเลวร้ายเมื่อเพ้อนี่บางทีกล็นซึมเศร้าไปเลยนะเพราะว่า การคิดลบคิดระแวงนะแบบนี้นต้องรู้จักทักท่วงความคิดนะแล้วก็ต้องรู้จักฝึกให้มีสติในการคิดหรือคิดอย่างมีสติยิ่งเรามาปฏิบัตินะแบบว่าเทียเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะคิดอย่างมีสติได้นะไม่ใช่ว่าห้ามคิดเลยนะอ้าคําวนี้พูดกันตอนนี้นะอกขระ